ฟังทำกันเพื่อเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติเราได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ฟังจริงกว่าส่วนประกอบฟังแล้วออกไปทำไม่ใช่ฟังแล้วคิดฟังแล้วไปทารู้เวลานี้เรามา เรียนให้เหตุไปใช่เรียนให้รู้การเรียนให้ลูต้องออกตาไปดูเอาปากไปท่องบนเหมือนเรียนหนังสือก็ไก่ขอไข่ ABCd ถ้าจะเรียนหนังสือก็เรียนเหมือนกันหมดตามอักษรแผนชนะของภาษานั้นๆนี่เรามาเรียน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 ไม่เห็นไม่ใช่รู้การรู้ก็เป็นการรู้เห็นพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นไม่มีความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนไม่ได้เปิดตำลา่าให้ ด, ดูเรียนลงไปที่กายมันมีโซ่ยูจะท้องกาย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 อันนั้รียว่ายังอ่านไม่ออกก็ไม่ชํานาญถ้าเราเรียนแล้วเห็นแล้วจะไม่เป็นไปกับอาการต่างๆไม่ได้เห็นเห็นแล้วก็ตอบลงไปกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันที่พูดว่ากายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้ไม่ใช่วาจาไม่ใช่ปากมันพูด มันเป็นปัญญาเสียแล้วมันเห็นแล้วมันจึงพูดออกมาจะคิดออกมาจึงทำความเห็นหแก่แฉมแง่แง้งแล้วในกายจากว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขานั่นผ่านไปแล้วลื่นชั่นไปแล้วผ่านจากกายไปแล้วไม่เอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์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 เป็นอาการของเขาตามความเป็นจริงเราก็ที่เรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นอ่ะก็เห็นจากแต่ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนก็เอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนเอากลายมาเป็นตัวเป็นตนกายก็มีทั้งสองชั้นเวทนาก็มีสองชั้น กายในกายเวทนาในเวทนานอกจากนั้นก็มีอุปทานเข้าไปยึดว่เาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสุขเราทุกข์ว่าเราย่ออุปทานขาดลังห้านี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะมีอุปทานไปยึดเอากายเอาเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างเนี้ถ้เาเห็นเป็นอาการธรรมชาติมันได้ปัญญา ก็เปัญญากายสว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจกว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขานั่นปัญญามันไปอย่างนี้ปัญญามันรอบรู้ในกองกายของกองสังขารคือกายนี้ไม่ใช่ปัญญาไปขบไปคิดแต่ฉานรู้โลกไปจอนเห็นอะไรต่างๆ น, นั่นก็เป็นปัญญาแบบ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 ทุกอยู่กับกายเป็นทุกธรรมชาติทุกสามันลักษณะถ้าไป่มีอุปทานไม่ถือว่าเป็นทุกเป็นปัญญาได้ถ้าไม่อุปทานเข้าไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นทุกสองต่อไปแล้วคือจิตก็ทุกกายก็ทุกเพราะจิตก็อุปทานเมื่อไงยึดว่าความสุขความทุกข์ความผิดความถูกไปเอาผิดเอาถูก แล้วก็ไปโอชอบโอไม่ชอบเข้าไปอีกก็เลยหลายๆชั้นเข้าไปเอาจึงเห็นเนาะจิตที่มันไม่ได้ตั้งใจนะั่นเอาต้องรู้ทันทีอย่าปล่อยให้มันเปอิสฉะเราจะสอนจิตเดนี่เรามาสอนจิตนีแต่ตัวลูกเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าให้มันเป็นสิะเกินไปมาเราฝึก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 ถ้าไปฟันในสิ่งที่ไม่ถูกปรมัดสัจจะของมีดหันผักมันก็ผิดปรมัตดไม่เป็นมันก็ใช้มาได้เสียความเป็นมีดได้มีดโกนที่มันเป็นคมโกนผมได้เอาไปหันผักมันก็มาใช่อีกละมันผิดปรมัดของมีดสมมุติปัญญะตเอาไว้หันผะเอาไว้โกนผมแม้นว่ามันคมหรือไปฟันต้นไม้อย่างนี้มันก็มาใช่ เมื่อเสียความเป็นมีตรไปจิตของเราที่เป็นจิตเดิมๆว่าเป็นจิตที่มันเปื้อนเพื่อนไปหลายอย่างจนเป็นปัจจัยนิสัยทําให้เกิดจลิตนิสัยต่างๆไปหลังค่ะจลิตโทสะจริตโมหะจริตไปตามที่เราไม่ระวัตระวังเราจึงเห็นเอ้จิตที่ไม่ตั้งใจคิดนั่นลู่ทันทีสอนวันที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 แดี ว, ว่าศึกษาศึกษาคือถลุงเหมือนเขาถลุงแร่ตินก้อนหินมาถลุงจนได้เนื้อเหล็กเต้าทองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดุ้นเป็นก้อนในความสุขก็เป็นสุขไปเลยในความทุกข์เป็นทุกข์ไปเลยปัจนี้ในความสุขมันก็มีความรู้ความทุกข์ก็มีความรู้ว่าหลงที่ยิตก็รู้ที่จิดจนถึงกับ ที่หนามเลยวิจวิตสภาวะจิตไม่ใช่จัดผูกคนโตตอนเราเขาเรามระสบ ก, ก็หัวล้อเรามันทุกคนลองให้การลองให้การหรัวล้ะเนี่ยเท่าเท่ากันมันเป็นสังขารเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเพราะนั่นจึงเห็นสภกวะจิตไม่ใช่จัดผูกคนโตตนเราเขาอย่างเนี้ยเป็นสูตรไปอย่างเนี้ยทุกคนปฏิเสธสูตรนี่ไปได้เหมือนกันหมด จึงขนาดไหนมาเรียนเรื่องธรรมะอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ใช่เอาเพศเอาไว้เอาวิชาความรู้มันสมองอะไรไม่เกี่ยวมีการกระทาเหมือนกันหมดจึงเรียกว่ากรรมฐานในที่สุดก็ทำทำคือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นความสุขความทุกข์นั่นแหละความเง้หอยนอนความสงบบ้าง ความฟุ้งช่านบ้างการมองเลสงสัยบ้างการมลาคะบ้างปฏิฆะบ้างปฏิบัติบ้างมันเกิดขึ้นมาอันุวัตธรรมทำที่เป็นกุศลมันสงบมันสบยายทำใหเป็นอกุศลมันฟุ้งซ่ อ, งนอนมันเศ้าหมองนันมาเกิดกับตัวของผู้ปฏิบัติ นีความรู้็นความหลงอยากให้มันรู้มัอยากให้มันหลงอารมณ์บวกลบเข้าไปถ้าความรู้พอใจถ้าความหลงไม่พอใจนันเรียว่าธรรมเดี๋เอาความรู้ความหลงมาเป็นสิ่งพอใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวเรื่อยไปจนเห็นว่าธรรมจักว่าธรรมไม่ใช่จัดบคุคคลโตจนเราเขาสูตรเนี่ย วันจบเป็นเห็นที่ะไรก็ตอบอย่างเดียวนี้มีสติเข้าไปสติจะเป็นตัวตอบตัวขี้แจ้งตัวถลุงเป็นนักศึกษาแล้วสติเป็นนักศึกษาแล้วเหมวันเราเป็นนักศึกษาเรียนรู้เหมือนเช่นนักเรียนนักเรียนต้งเรียนเบื้องต้นพอท า, าอะไรลงไปอย่าไปคิดไกลถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นเด็ก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 จำนานมากจำนานในกายจำนาญในเวทนาจำนานในจิตจำนาญในธรรมเพราะมันแสดงมันมาแสดงแบบง oo แต่ก่อนเราไม่กูแต่ก่อนเรง oo ง oo ไปกับเขาเขาก็ง o เราก็ง oo ง oo สองต่อความหลงก็จะมาหลง่ในความหลงก็มีความง่ o เราก็ง oo ไปกับความหลงคนอือดหลง ก็ทําให้เราหลงไปด้วยคนเดินโกรธพราะทำให้เราโกรธไปด้วยแต่ก่อนอะแบบ น, นี้เราไม่โง่เหมือนนะเราไม่หลงมันเขาถ้าเขาโกรธเราก็มีปัญญาเหมือนเรามีความรู้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจเจยต่างๆก็หนึ่งโกรธเราก็รู้คนเขาหลงเราก็รู้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 เราก็เห็นมาแล้วตั้งแต่หลักสูตรบ้างทุนือากายเวทนาจิตธรรมแต่ก่อนเรากายเป็นสฉกกายเป็นทุกเอาเวทนามปเป็นุกเอาเวทนามาเป็นทุกเอาจิตมาเป็นุขเอาจิตมาเป็นทุกเอาธรรมมาเป็นความชอบเอาธรรมมาเป็นความไม่ชอบเราก็ไม่แตกฉานตรงนี้พอเราเห็นแล้วเห็นดีเห็นแล้วเห็นอีกมันจะแดงให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆ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 แต่ก่นเราเป็นทุกข์เพราะความหิวก็เป็นสุขเพราะความอิ่มที่จริงมันเป็นทางบัญชาติของลูปการความหิวไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยเป็นความโผงใจซาเลยทีเดียวเวลามาหิวน่ะออกคนความหิวอายุเจ็ดสิบปีเรายังหิวข้าวเดวนี้ก็หิวหูหนอนหนังมันเดินทางไกล หล้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งหลายชั่วโมงขาดแคลนอาหารเล่าเลี้ยงชีวิตมันเนื่องด้วยอาหารชีวิตเรานะแต่มันไม่รู้อยากขิวอนะ่ะเหมือนเราป่วยสี่เก้าห้าชนเนี่ยไม่รู้อยากขยวเลยก็น้าหนักเกิดเจ็บมันไม่รู้อยากขิวก็ลดลงลดลงเหลือห้าสิบกิโลเลยตายแน่นอะนไม่ขิวนะอย่างไรไอ้ขิวไปทุกทําำมา ไม่ช่เรื่องทุกเลยเป็นปัญญาหรอขอบคนควาหิวบางทีคนหิวเข้าเป็นศึกสงครามได้เพราะความหิวก็ขึ้นใจเปาะบางเห็นเป็นรูปงูรูปมันหิวเป็นมันล้นเป็นมันหนาวเป็นนั้นปวดอังเมื่อยเป็นนั่งนานก็ปวดก็ม้อยยืนนานก็ปวดก็ม้วยนั่งนานก็ปวดก็ม้วยเดินนานก็ปวดก็ม้วยมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนรูปเนียมันก็ใช่ตามธรรมชาติของเขาเห็นเป็นรูปเป็นนามนามันก็รู้จะก็เลยได้ยกมือนี่ก็มีรูปเป็นนามถ้าทุ่เสาเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้ให้มายกมันไม่มันไม่มีนามมาทํา้อนอิฐก็อนหินไม่มีนามมาทําแต่มันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงถูกสิ่งที่ครอบงำอยู่ไม่มีใครเป็นใหญ่อะไรในโลกนี่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงดังนั้น แต่ก่อนง่ายตอนนี้เราทําเองแต่ลานังนี้เราทําเองมันก็ชุดโซ่ลงเลยเปลี่ยนมาสองสามครั้งเราแต่ก่อนอยู่โน่นก็ตีเบอร์แปดโน่นย่อยลงมานี่เนี่ยลงมเนี่ยเปลี่ยนไปอีกตำลังคาใหม่จันต้มตำลังคาใหม่ซ่อมแซมอยู่เลยอันนี้ยังซ่อมแซมนะอันรูปของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ซ่อมจะให้มันดีเหมือน ตามเดิมไม่ได้เหมือนไหม้ไม้มันก็ยังดีได้แต่บ้าก็ยังอยอยมีอายุเหมือนกันอย่างน้องตานี่ก็เมื่อก่อนก็หนุ่มกว่านี้ใหมันหนุ่มเหมือนเดิมไม่ได้รูปเนี่ยใครใครก็เสมอกันหมดไม่มีอะไรใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากันไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ต่อต้านโยปละทิ้งในสิ่งนักปูงป่ปนี่รูปเป็นอย่างไร ทำไมเป็นทุกข์เพราะลูกเจ็บปวดเป็นทุกข์หรอไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะลูกเพราะเห็นเป็นรูปแต่ก่อนเห็นเป็นกายจนง่ายถ้าเห็นเป็นรูปแต่ฉานนะไม่ทุกข์เพราะลูกเห็นเป็นรูปเป็นน้ำน้ำก็คือรวมรูปอะไรได้เหมือนอยู่ด้วยกันโยเก็มามีตอนนี้ใครก็ในโลกนี่ที่เป็นมนุษย์เกิดในโลกได้เหมือนกันหมดมีแต่รูปกับนาม ไม่มีใครแตกต่างกันรูปนําเท่าเทียมกับเกิดเจ็บเจ็บตายใม่เที่ยงเว้นทุกถูกความทุกอย่างเอาแล้วถูกความทุกข์ข้องงมแล้วต้องเป็นความทุกข์ข้องงมถูกความทุกจักรเอาแล้วทำจะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกนี่จะปรากฏชค่เราเราจึงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้มาให้มันทุก ความเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ความตายเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ความร้อนความหนาวเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์สิ่งเหล่านี้ทำได้แน่นอนเราจะไปทุกข์ทำไมเอแต่ก่อนเราไม่รู้พอรู้ื่อวมันเห็นเห็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไะเช่นความทุกข์ของรูปมันก็เป็นสภาวะทุกข์อะไรที่มันเป็นสภาวะทุกข์ หายใจเข้าหายใจออกคลิปตาคือน้ำลายชีวิตประจำมันเป็นสภาพวัตถุอาการตุกตทุกทุกยอนมาเป็นข้างเป็นข่าวปวดหนักปวดเบาไม่ใช่เรื่องทุกเป็นอาคันตุกตของทุกข์มันก็มีอีกแบบหนึ่งนิดเสนาทุกทุกนงนิดให้เที่ยงไหลเรื่อยนั่งอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงนี่นิดเสนาทุก ไหลไปไหลไปสัน ต, ติเกิดขึ้นทันตะเล่ไหลไปไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแก่วันนี้ก็แก่ไปอีกชั่วโมงนีงแก่ไปแก่ไปมันค่อยๆไปไปไปนิดสันทุกข์มันไปเข้ามันไปเข้ามันไม่ใช่ออกมาเป็นอุปทานแบบนี้ทุกทุกที่เป็นทุกขของอริสัตอันนี้ทุกเพราะเหตุ เช่นความโกรธความโลภความหลงความวิตกความวอนเศหมองนี่เป็นทุกข์อริสัตอริสัเนี่ทุกข์นเนี้ยถือว่าเป็นทุกข์ที่เด็ดขาดไม่ต้องทุกข์รอยอันทุกข์เพราะคันหนุกะทุกข์ทุกข์เพราะต้องกินต้องขับต้องถ่ายอันนี้ไปเสียมาได้เป็นทุกข์สภาวะทุกข์ตามธรรมชาติเจ็บไข้หรือป่วยเจริญเจ็บตายเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติไม่เชื่อมาเป็นทุกข์ ทุกอันนี้เป็นทุกข์ที่บันเทามันหิวก็กินข้าวบันเทาไม่ใช่แค่แฉ่ไม่ได้มันหนาวก็ห่มผ้าอ่านี่ไม่ใช่แฉ่บันเทาจะุดค่ได้ป่วยบันเทารักษาอ่าบางอย่างโครคภัยแค่เจ็บโรคบางอย่างรักษาได้ที่เป็นรูปโรคอันนั้นเขาเรียกว่ารูปโรค ไมาใช่รูปธรรมดาอันเป็นโรคหัวน้องตาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราว่ารโรคโรคโรคของรูปเพราะนั้นหมอนั่งอยู่เนี่ยช่วยได้โรคอะไนล่ะโรคที่เกิดความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เต้องช่วยตัวเองเพา่าแม่จะช่วยลูกก็ได้ลูกจะช่วยพ่อช่วยแม่ก็ไม่ได้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 นี่เรามาทำอย่างนี้เรามันหลงเห็นไหมนั่งจมูกสร้างจาัาจางหวะจมูเอาความคิดไปถึงนี่ไงละอำเภอละชุ่มพวงเลยก็กลับมาโอ้เห็นไหมเห็นมันหลงไหมเมื่อวลาคิดว่าจะคิดไปเลยมันคิดไปก็กลับมาลู่สอนแล้วมันหลงไปอีกลูก่สอนตัวเองแล้วดีไหมดีดีกันสอนตัวเองอย่างเนี้ ไมไปเบื่อหน่ายเอาให้หลงลงไปสนุกลู้เอาความหลงมาเป็นความสนุกเอาความทุกข์ออกมาเป็นความลู้สนุกลูก้เห็นมัน้นหลังเนี้ยเรื่องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเปลี่ยนลายเป็นดีเปี่ยนพี่เป็นโถเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เฮ้ยเปลี่ยนเป็นโถลู้นี่แหละลู้อย่างเดียวเอาไปก่อนอย่าเอาเหตุเอาผลทําไมจึงหลง ทำไมจึงทุกข์ทำไมจึงไม่สงบทำไมจึงพุ่งสร้างทำไมไม่รู้สึกตัวอย่าไปทำไม่ทำไม่ทำไม่คำ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไม่ทำไมไม่มีนี่แต่ยิ้มยิ้มไปเลยมันทุกข์ก็เห็นยิ้มยิ้มมันจบ ก, ก็เห็นยิ้มยิ้หัวเราะก็เองถ้าใครรู้จักหัวเราะตัวเองได้ละ่ะดีมากต่หัวเราะแต่จึงอื่นใช่ไหมได้หัวเราะความทุกข์ได้เหมือกันนะ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 ผมปวดตะขาบมันกันกับเบาลงเบาลงเบาลงตะขามมันกันมันจะปวดตุกทุกทุกุดังขึ้นคนจะร้องโอ้ยโอยอ้ยถ้าเรามารู้สัตัว ด, ดีล้องเพลงบาลเลยเวลามันปวดล้องเพลงแข่งกับควมปวดเนาะไม่เที่ยงมาเชื่อตัวตนสิไหนเป็นทุกสิ่นนั้นมันไม่เที่ยงสิไหนไม่เที่ยงสินนั้นมาเชื่อตัวต้น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 จะให้กายเป็นใหญ่กว่านา้ำนามนั้นต้องไม่เป็นอะไรเห็นนะเนี่ยรูปเป็นมันยาม ว, ว่านามมารูปอนามทำรูปทุกนามทุกรูปล ก, ลกนามโลกมันมีมันมีอยู่ในกองรูปของนามนี่แหละเหมือนกันหมดรูปทุกก็เหมือนกันหมด ต้องพิบตาหายใจคือน้ําหลายต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องอะไรหลายๆอย่างอันนี้เราเท่าเทียมกันหมดส่วนนามมาทำนั่นถ้าเราไม่ลูบลูบด้วยนามมัไม่ลูบจักแกะแย้งถ้าไม่เห็นลูบเห็นนามตามความเป็นจริงอ่ะมันจะแยกออก ก, ก็เจ็บก็เจ็บที่ถ้าปวดท้องมันก็เป็นลูบใจมันต้องเดือดร้อน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 มันมีปัญญาด้วยในเวลาวันปวดเห็นของกก่งที่มันแสดงออกนี่รูปแท้ๆอ็อออไปตรวจสองกล้องหมอไปตรวจสองกองเอายาชาให้กอกปากลงไปใครบ้างเธอเคยกินยาชานีไ่ไหมชีน้อยเคยกินไหมยาชาน้ำยาชาเหมือนเขา จะมาทาแผลเนี่ยเขาบาดตัดเนี่ยมาด้วยจะเก็บอันนี้มันเป็นแผลอันนี้มันปากไม่มีลิ้นพอกินยาชาลงไปหนูโอ้ยรสชาติจอเยื่อมเลยเรวก็มองว่าโอ้ยสมน้ำหน้ามันนอกรูปเอ้ยไม่ได้ทุกเลยมันมีลิ้นมันมีรสอ๋อนี่เป็นยาชาไม่ใช่อาหารนะ นี่หละรูปเป็นอย่างนี้ทำไมมันเจ็บมันผวด ก, ก็ต้องทำอย่างนี้การช่วยเหลือรูปต้องทำอย่างนี้อันดีก็ต้องหาตัดเบะออกเป็นชิน้นเป็นชิ้นก็ไม่มาต่อเอาใหมา่นี่รูปมันเป็นอย่างนี้ช่วยรูปก็ต้องช่วยอย่างนี้อันนี้ภาาอะไรเขาเอาน้ายาชามากอกปากมันก็ดีแล้วรูปเอ้ยใจไม่ทุกร์อล หัวเลาะรูปมอ่จบหน้าวางแล้วลูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็สองก้อนเขาไปก็ยังแช่ไม่ได้มาตัดเอาก้อนเนื้อในลําคอเนี่ยตัดไปพิสูจน์อีกกอพิสูจน์ได้เขาว่าเมื่อเหล็งหน้าเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วโจตับอ่อนปวดทรวงเส้นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวด เวทนาไม่ให้ตัวชีตนนมันแตกแขนนั้นแต่เห็นกายเห็นเวทนาเนี่ยเวทนาคือการปวดเนี่ยมาใช่เราเป็นผู้ปวดเห็นมันปวดมันแยกไปแยกไปถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เฉพาะลูกไปสามไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นถูกลูกศรลูกเดียวถูกแต่พราะลูกไม่ถูกที่ดามคือจิตใจ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 มันจะเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นตรงนี้ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายจัดเดชานก็ยังไม่รู้รูปล้วนาำเนี่ยเนี่ยมันก็รู้อย่างเนี่ยแอนแจ้งไอ้รูปเดนานมเป็นธรรมชาติของโลกรูปโลกดามโลกโูกทุกน้ำทุกรูปสมมุตินม้มสมมุตดมันหลอยที่มันเห็นเนี่ยมันแตกฉานไปสมมุติบัญญัติตรมัดทัจจะความหลงเป็นส ม, มุติบัญญัติ ก็ไม่หลงเป็นปรมัจิัจักความทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติเคยทุกข์เท่าไหร่มีจริงไหมทมุกข์เคยสุขเท่าไหร่มีจริงไหมความสุขเอาความสุขมาให้ดูห่อนเอาความทุกข์มาให้ดูหน่อยมันไม่มีมันเป็นสมมติขึ้นมาอุปทานขึ้น ม, มายึดไว้ยึดไว้เป็นข้างเป็นข้าวเวลามันอกอดก็ด่ากันฆ่ากันเวลาหายโกรธล้วก็อายตัวเองอายกันบางทีเลาะกันเวลามันโกรธด่ากันได้ เวลาหายโกรธเราเสียใจบางตีโกรธลงไปตีลูกตีลูกเนเห็นรอยมือห้านิ้วตีคนเนี่ยแดงแข๋ยวเลยตีเอาไม่เลียวไมาเคี้ยนจนเลือดซึมเลยเวลาหายโกรธลรวสองสอนลูกเวลาลูกนอนเทายาบองไปตายแม่หลงตีนลงมือตีลูกหรืเสียใจเหยเนี่ย กินแล้วเพราะทำตามความโกรธทำตามความรักทำตามความจังอันนั้นไม่ใช่ชีวิตเราหรอกสีเปรียบความโกรธสีเปรียบความรักความจังเหมือนกันหมดต่อเคยโกรธโกรธน้องชายตีน้องชายตกคันนาอะไรเมื่อต้อหัวนะน้องชายตกเกี่ยวกี่คนอยู่โดนพอเห็นน้องชายนั่งเกี่ยวี่คนอยู่ กดควน้องสานาถโอ้ ย, ออยน้องชายกูเป็นเด็กเนาะมันคงกลัวบอกมันให้ออกหวยผิดญ้าป่ย า, ายนา น, ยยนาะถ่ายหนาค่ำมันไม่ออกหวมันโโจงว้นอยู่เนี่ยหวย ก, ก็ไม่มีย่าเย็นอนะ่ะเราก็ห่วงแล้วก็วไถนามึงทำไมไม่เอาหวยผิดย่ า, ยยาคอยยา่ยาย่แม่มหยังสุดทุกหัวน้องตาเป๊กเนี่ย สงสารนะจับแขนน้องขึ้นมาน้องก็ร้องไห้แต่ต่านั้นพูดไม่ออกเสียใจน้องก็หนีเข้าบ้านไปเลยไม่เอาควยเลยเราต้องให้ว่าจะปั้นกันนาไม่ได้ปั้นกันนาต้องเอาควายไปเลี้ยงสอมนหน้ามึงบอกอว่านะก็ดีน้อ ง, องก็หอกลับบ้านเอาควายกลับบ้านไปแม่พูดคําแรกด้วย ให้เบืองตัวจะหน้ากับเนี้ยนนี่กูจะ้าหน่องกับบ้านเกา่าเอาไปจับเิ้าของเน่ะเสียใจมากเลยไม่พูดจะคำเลยเนีเราตีน้องแม่เสียใจพ่อไม่มีครอบครัวกันจินเสียใจมาก เ, เสียเปรียบความโกรธมีไหมชีน้อยทําไมจะต้องรับใช่หมือนความทุกข์ความโกรธความโลภความหลง มาทำใจดีๆนะเห็นมันชัดเจนแล้วนะเป็นปัญญาของเราการศึกษาธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะมันพ้นจริงๆนะพ้นจากความโกรธความโลภความหลงพ้นจริงๆมันก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนี้นะปฏิบติธรรมไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมีฤทธิ์มีเดชท่องเหินนั้นว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้น มาลู่ตัวเองจนเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้ไม่ทุกที่นาสำคัญที่โุดหรอกเวทนาเป็นทุกเวทนาไม่เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารเป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกวิญญาณเป็นทุกวิญญาณไม่ทุกพี่เห็นมันได้อย่างนี้เพราะอฏิบัติเคอเปลี่ยนแล้วถ้าคนไม่ศึกษาถูกความทุกข์คล้องงำแล้วถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ตุความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแน่นอนที่สุดเลยโกดเจอเจบตายทุกคนต้องไปจุดนี้แน่นอนทําไมจะเหมือนครอําำเราประสาวความทุกขนะ์น่ะความโกรธนะ่ะมันมีขี่ช่างขี่มากถือวนมาใหม่มันไม่มีมันเกิดอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความไม่รู้ตรงหกราารักตอนเราไม่รู้จุดตัวน่ะทเท่านี้หอเลาะในเบื้องต้น ไฟลอะในะท่ามกลางไฟเลาะในะที่สุดควาจัดใิเลสินกําจัตใจเลสอย่างหยาสมาธิกําจัตใจเลสอย่างกลางปัญญาคําจัตใจเลสอย่างละเอียดก็มีรู้อย่างนี้ก็ใจดีขวั่เก่ารู้ขวั่เก่าพมันรู้รู้โดยเองเนะี่ยมันมีใจดีกวั่เก่าไม่ใช่ดีใจ ใจมันดีโอ้ใจดีนี่เป็นบุญตัวรู้นี่เป็นบุญรู้บุญรู้บาปบาปคือไม่รู้คือทุกข์บุญคือตัวรู้คือไม่ทุกข์โอ้บุญคือตัวนี้ศีลคือตัวนี้ก็บุญแล้วบาปลู้ศานะสันาศาสนาคือคาสอนทั้งหลายแต่พุทธจาจ้าสอนให้รู้รองนี้ตื่นจากทุกข์มาตัวพุทธพัฒนมพระสง์ เห็นทำอย่างนี้หรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าว่าจะเห็นพระเจ้าเดินมาอันนั้นเป็นนิมิตอย่าไปอย่าไปสนใจพระวางรูปเดินยางกลอยู่เห็นอันนั้นเป็นนิมิตวัที่มาบอกหลงตาเป็นนิมิตอย่าไปหลงมันเห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรเดก็กลับมาผู้ใดเห็นทำผู้นั่นชื่อว่าเห็นปะดิจฉะบาศ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 ควาไม่เที่ยงผู้นั่นถึงนิพพานได้ผู้ใ ด, ดเห็นความมทุกข์ผู้นั่นถึงนิพพานได้ผู้ใ ด, ดเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้นั่นถึงนิพพานได้สเพสังการะอเิจาติญาธาปัญญาญาปัจจติอัฏะนี้เป็นตาติทุเกเเอสมโควิสุตติยะเมื่อใ ด, ดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งสองไม่เที่ยง เมื่อน่นย่อมหนื่อยหน่าในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนพานอันเป็นธรรมหมดชดเอาความมาเที่ยงเป็นดิพากันปุถุชนตรงความมาเที่ยงมาเป็นทุกข์ปุถุชนตรงความันทุกข์มันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเอาความมันทุกข์มันเป็นนพานี่ว่าปฏิบัติเปลี่ยนร้อยเป็นหอย่างไงล้วก็หัดเปลี่ยนไปมันหลงรู้มันหลงรู้เรื่อยไปอย่างนี้